มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าความสุขใจกุศลแปลว่าความฉลาดบุญก็เกิดจากการเสียสละแบบ่งปันความสุขทางร่างกายให้แก่ผู้อื่น แล้วเราก็ได้ความสุขทางจิตใจกลับมาความสุขทางจิตใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเหรียญสเหลียหกับธนบัตรใบละห้าร้อยใบละพันมีคุณค่า มีราคาต่างกันความสุขใจนี้เป็นความสุขที่มีพลังมากกว่าความสุขทางร่างกายเวลาเราเสียสละความสุขทางร่างกายก็คือความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆแทนที่เราจะเอาเงินทอง ไปซื้อความสุขทางร่างกายซื้อสิ่งต่างๆเราก็ไปซื้อของมาถวายพระหรือมาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็เอาบุญทางร่างกายความสุขทางร่างกายมาแลกกับความสุขทางจิตใจก็เหมือนกับเอาเหรียญห้าเหรียญสิบ ไ ป, กกไปแลกกับธนบัตรใบละห้าร้อยใบละหนึ่งพันคนฉลาดจะทําอย่างนี้ได้เอาเหรียญห้าไปแลกแบงค์ห้าร้อยเอาเหรียญสิบไปแลกแบงค์พันมีใครไม่อยากจะแลกบ้างนี่แหละคือความสุขใจกับความสุขทางร่างกายเราเสียความสุขเสียสละความสุขทางร่างกายไป แต่เราได้ความสุขทางใจมาเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าและเป็นความสุขที่เราเอาติดตัวไปได้ด้วยใจนี่คือตัวเราเราอยู่ที่ใจเวลาร่างกายตายไปใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายความสุขที่เรามีอยู่ในใจก็ไม่หมดไปไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกาย พอร่างกายตายไปความสุขทางร่างกายนี้หมดไปเลยต่อให้มีเงินหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้นี่แหละคือความแตกต่างระหว่างความสุขทางร่างกายกับความสุขทางจิตใจคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหนันตสาโรท่านถึงสละความสุขทางร่างกาย เพื่อมาแรกเอากับความสุขทางจิตใจจนได้ความสุขระดับปรมังสุขขังประมังสุขขังก็แปลว่าความสุขเต็มร้อยความสุขที่ถาวรไม่มีเสื่อมไม่มีหมดดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะว่าการทำทานนี้เป็นประโยชน์กับเรามากกว่าการเอาเงินทองนี้ ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังเพราะว่าพอทาเสร็จแล้วมันก็หมดไปมันไม่มีตกค้างอยู่ในใจเราเลยมีแต่ความหิวความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกหาเท่าไหร่ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ไม่ได้ทำให้ใจเราเกิดความอิ่มเกิดความพอแต่ความสุขทางใจที่เกิดจากการทำทานนี้ทำให้ใจเราพอได้เวลาเราทำบุญแล้วเราเร า, เรารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกลับไปบ้านเราก็ไม่อยากจะออกไปนอกบ้านอยู่บ้านเฉยเฉยสบายออกไปเหนื่อยยากวุ่นวาย กลับมาก็ไม่มีอะไรหลงเหลือกลับมานอกจากความจำจำว่าได้ไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานแต่ผลที่ได้รับจากการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานนั้นมันอันตรธานหายไปหมดยล้วไม่เหมือนกับความอิ่มใจสุขใจที่เรามาทำที่วัดกลับไปบ้านมันยังอยู่กับเราต่อและเวลาที่เราคิดถึง การทำบุญของเราแต่ละครั้งความอิ่มใจสุขใจนั้นก็จะกลับคืนขึ้นมาอีกบางทีเวลาเราเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขอให้เราคิดถึงบุญที่เราทำไว้แล้วบุญที่เราทำไวน้นี้จะมาดับความทุกข์ใจได้ความไม่สบายใจได้แต่ความสุขทางร่างกายนี้ดับไม่ได้เวลาเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เอาเงินมาดูมาจ้องดูต่อหน้าก็ยังดับความทุกข์ใจไม่ได้เอาแบงล้อยแบงผันแบงห้าร้อยมาดูเวลาไม่สบายใจดูซิว่ามันจะหายหรือเปล่ามันไม่หายหรอกแต่ถ้าเราคิดถึงความดีคิดถึงบุญที่เราทำอยู่นี้มันทำให้หายได้นี่แหละคืออนุภาพของบุญของความสุขใจ แล้วยิ่งถ้าเราได้กุศลยิ่งจะมีอำนาจมากกว่ากุศจากการทำทานกุศลนี้คือความฉลาดฉลาดคือความรู้จริงเห็นจริงรู้ตามความเป็นจริงรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษรู้ว่าอะไรเป็นของเราอะไรไม่ใช่เป็นของเราอพอรู้แล้วก็จะได้ หายหลงเพราะความหลงนี้ทําให้เราไปหลงยึดติดกับสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราพอเราไปยึดไปติดแล้วแทนที่จะได้ความสุขเรากลับได้ความทุกข์เช่นของต่างๆนี้เราคิดว่าเป็นความสุขแต่ความจริงแล้วเขาเป็นความทุกข์มากกว่าทุกเพราะอะไรเพราะเขาไม่แน่นอน เรามีเขาวันนี้แต่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีเขาต่อไปหรือไม่เขาอาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้พอเราคิดเท่านี้เราก็เกิดความไม่สบายใจแนละ้วแล้ยิ่งเวลาที่เขาจากเราไปเราก็ยิ่งไม่สบายใจใหญ่แต่ถ้าเรามีกุศลมีความฉลาดเรารู้ว่าไม่ใช่ของเราเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาต้องจากเราไป เราก็ไม่ไปยึดไปติดเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นเขามาฝากเราไว้เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็มาขอคืนไปอย่างลูกของเรานี่เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเจ้าของเขาก็มาขอไปเดี๋ยวผัวเขาเดี๋ยวภรรยาเขาก็มาขอไปเราจะไม่ให้เขาไปก็ไม่ได้เพราะเขาก็ไม่ยอมอยู่กับเรา เพราะเขาอยากจะกลับไปอยู่กับผัวอยากจะกลับไปอยู่กับภรรยาของเขานี่นี่คือกุศลเราต้องรู้ทันต้องรู้ความจริงว่าของต่างๆ ท, ที่เรามีอยู่ในขณะนี้มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเขามาฝากไว้อย่างร่างกายนี้เขาก็มาฝากไว้ใครมาฝากร่างกายเราไว้ลูกอะสับปเปลย เดี๋ยพอถึงเวลาสับเปล่าก็จะมาขอเอาร่างกายเราไปเราก็ไม่มีใครอยากจะได้ร่างกายเราด้วยเวลาเราไม่หายใจแล้วต่อให้รักกันขนาดไหนเป็นสามีเป็นภรรยากันก็ไม่เอาแล้วคืนสับเปล่าไปแล้วพอรู้ว่าไม่ใช่เป็นของตนแล้วจะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกันพอไม่หายใจแล้วนี่ยกให้สัเปล่าไปเลยนี่แหละ นั้นร่างกายเ่านี้ไม่ใช่ของเราพยายามอย่าลืมจำไว้เป็นของสับปเปลอาสักวันหนึ่งสับปเปล่าเขาจะต้องมาเอาคืนไปถ้าเราหวงเวลาสับปเปล่ามาเอาคืนนี้เราจะทุกข์มากเราจะทรมานมากแต่ถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราเป็นของสัปเปล่าพอถึงเวลาสับปเปล่าจะมาเอาก็เอาไปเลยเบื่อขี้เกียจ ด, ดูแลรักษามัน เราเราชอบรักษาของให้ของของคนอื่นไหมคนอื่นเ้าเอารถมาฝากเรายเงี้ยแล้วให้เราคอยเช็ดคอยล้างคอยซ่อมอย่างเงี้ยเราไม่เบื่อ ม, มั้งเหรเวลาเจ้าของมาขอคืนนี่เราดีใจไหมเอาไปเลยเลูกก็เหมือนกันเนี่ยทุกวันเนี่ยทุกกับใครถ้าไม่ทุกกับลูกตื่นแต่เช้าก็ต้องปลุกให้ลูกตื่นขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวกินปลา ไปโรงเรียนบางวันลูกก็ขี้เกียจไม่อยากไปก็ต้องทะเลาะกันเถียงกันกว่าจะเอาขึ้นรถไปโรงเรียนได้ก็เหนื่อยเดี๋ยวเจ้าของเข้ามาเอาไปเราก็บทภาระเราเป็นเหมือนคนพายเรือพายเรือข้ามฟาพาสินค้าข้ามฟากพอถึงฟากแล้วเขาก็ขนถ่ายสินค้าออกจากเรือไป เรือเราก็เบาเวลาแจวกับนี่สบายมากไม่เหมือนกับเวลาพายมาส่งมันหนักนี่แหละคือกุศลความจริงที่เราไม่ไม่รู้กันไม่คิดกันต้องมีคนเนชลาอย่างพระพุทธเจ้ามารู้มาเห็นแล้วมาบอกพวกเราว่าตอนนี้พวกเรากำลังแบกกองทุกข์กันอยู่แบกทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของคนอื่นเขา ไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่เราก็รักหละหวงเหลือเกิน ร, กรักยังไงหวงอย่างไรเวลาเจ้าของก็จะมาเอาคืนไปก็ห้ามของไม่ได้ดังนั้นพยายามมาสร้างคุศนกันอยู่เรื่อยๆมาเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้รวมไปถึงร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เป็นของเรา ไม่ช้าก็เร็วเจ้าของก็จะมาขอเอาคืนไปถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับของที่เรามีอยู่ดูแลก็ดูแลไปดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ช่างหัวมันเดี๋ยวในที่สุดเจ้าของมันก็มาเอาไปอยู่ดีดูแลให้ดีแสนดีเดี๋ยวเขาก็มาเอาไปถ้าเราถ้ามีคนก็เอาของมาฝากเราเราจะดูแลอย่างนี้ไหมดูแลซะดีเลย พอถึงเวลาเขาก็มาเอาคืนไปล้เงินค่าฝากก็ไม่มีให้ด้วย ม, มาฝากฟรีๆอย่างเพื่อนบ้านเขาจะไปต่างจังหวัดเขาเอาของเอาบ้านมาฝากเราให้เราดูแลเราจะดูแลเหมือนกับดูแลบ้านของเราหรือเปล่าเราก็แค่มองมองดูๆไปเท่นั้นมันจะไฟไหม้ก็เรื่องของมันไม่ใช่บ้านของเราใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันให้ดูแลสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี่ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราจะไม่ต้องมาหนักอกหนักใจกับมันซ่อมได้ก็ซ่อมดูแลได้ก็ดูแลดูแลไม่ได้ไฟมันจะไหม้น้ําจะท่วมจะไปห้ามมันได้อย่างไรก็ปล่อยมันท่วมไปเงินทองมีมากน้อยมันจะหมดก็ต้องให้มันหมดไป แต่ก็ให้ดูแลให้ดีไม่ได้ให้ไม่ให้ไม่ให้ดูแลแต่ถึงเวลามันจะหมดเทวดาก็มาห้ามไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่เราไม่รู้กันสิ่งที่เราเรื่อเรารู้แล้ว เ, เราลืมกันเราเป็นโรคอัลไซเมอร์กันขี้หลงขี้ลืมชอบมาคิดว่าเป็นของเราอยู่เรื่อยพอได้อะไรมาปั๊บนี่เป็นของเราทันทีขนาดเด็กนี่ได้ตุ๊กตามาปั๊บนี่เป็นของตัวแล้ว ใครมาแย่งไปนี่ร้องหย่ร้องไห้ทั้งที่มันไม่ได้เป็นของตัวเองเลยเนี่แหละคือทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นของใครเราได้มาจากใครก็ได้มาจากแม่ไม่ใช่เหรอยอยู่ในท้องแม่อเอาสายพ่อกับแม่ผสมเงินขึ้นมาแล้วพอโตจากในท้องก็ออกมา ทั้งนอกแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูมันต้องคอยกินคอยดื่มคอยหายใจคอยอาบน้ำคอยทำอะไรต่างๆเพื่อรักษาให้ร่างกายนี้อยู่ได้แต่รักษาไปถึงไหนจุดหมายปลายทางมันไปตรงไหนมันก็ไปหาสับปเปลอเท่านั้นให้คิดอย่างนี้บ้างให้มองจุดจบของชีวิตบ้าง มันจะได้ไม่หนัก อ, อกหนักใจจะได้เตรียมตัวว่า เ, ออเดี๋ยวมันก็ต้องถึงจุดจบด้วยกันทุกคนจะไปทุกไปวุ่นวายกับอะไรมากมายทาไมของดีก็เอาไปไม่ได้ของเสียก็เอาไปไม่ได้เงินทองก็เอาไปไม่ได้หนี้สินก็เอาไปไม่ได้เก็บไปทุกข์กับมันทำไมมีหนี้ก็มีไปใช้ได้ก็ใช้ไปใช้ไม่ได้ก็ติดคุกติดตารางไป ก็มีเท่านั้นไมเห็นจะต้องทุกข์กับอะไรไม่เห็นจะต้องทุกข์กับเรื่องอะไรถ้ารู้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในที่สุดมันก็ต้องหมดสภาพไปมีสามีเดี๋ยวก็ตายไปมีภรรยาเดี๋ยวก็ตายไปมีพ่อมีแม่เดี๋ยวก็ตายไ ป, ม, ม, ม, ยยไปมีใครบ้างไม่ตายของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวคนจราจึงไม่อยากจะมีอะไร พอมีแล้วมันเผลอมันลืมไปหลงไปคิดว่าเป็นของเราเพอเป็นของเราก็เกิดความหวงเกิดความห่วงใยขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับคนจฉลาดเราไม่เอาดีกว่าสู้กินหลับนอนได้ดีกว่าก็ต้องไม่มีอะไรอย่างพระพุทธเจ้านี่เคยมีวงังเคยมีสมบัติตา่ตางๆ ม, มีปราสาทสามหลังปราสาทสามฤ ด, ดูไววเปลี่ยนหน้าหนาวก็อยู่ปราสาทหลังหนึ่ง หน้าร้อนก็อยู่ประสาทหลังหนึ่งหน้าฝนก็อยู่ประสาทหลังหนึ่งแต่แทนที่จะเห็นว่ามันเป็นความสุขกับเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ท่านเลยไม่เอาไปอยู่ตามโคนไม้ดีกว่าไปอยู่ในป่ามีต้นไม้ให้เลือกหลายต้นต้นไม้นี้ตายก็มีต้นอื่นมาแทนที่ไม่เดือดร้อนไม่ลาบากไม่ต้องไม่ต้องคอยดูแลมัน นี่แหละคือคนชลาดต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเคยมีลูกเคยมีเมียก็ไม่เอาละรู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องคืนเจ้าของเก่าเข้าไปมีลูกเดี๋ยวลูกตัวขึ้นก็ต้องไปมีเมียเมียก็มาเอาลูกไปนะมีภรรยาเดี๋ยวภรรยาก็สับปล่าก็มาข อ, อาไปมีสมบัติมีอะไรต่างๆก็เหมือนกันร่างกายของพระองค์ทรักวานยิงก็ต้องยกให้สับเล่ไป คนฉลาดเห็นจุดจบเห็นความจริงของชีวิตจึงไม่รุ่มหลงกับการคอยดูแลรักษากอดรัดชีวิตไว้แทบเป็นแทบตายกอดรัดไว้ไวอย่างไรแน่นขนาดไหนก็กอดไว้ไม่อยู่ถึงเวลาเขาจะดิน้นเขาจะหลุดจากมือเราไปนี้ไม่มีใครหักห้ามได้ไม่มีใครยับยั้งได้ของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ ถ้าเราเห็นว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเปลี่ยนการมองโลกไปทันทีแทนที่เราจะอยากได้มากๆเรากลับจะอยากได้น้อยๆแล้วลดีไม่ดีอยากไม่อยากจะได้อะไรเลยแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่อยากจะได้แต่ไม่ฆ่ามันเท่านั้นเองเพราะการฆ่ามันก็เป็นการทำบาปเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ก็จะปล่อยมันอยู่ไปตามบุญตามกรรมเลี้ยงมันเหมือนเลี้ยงหมาตัวหนึ่งให้ข้าวกินวันละมื้อก็พออาบน้ำวันละครั้งก็พอมีเสื้อใส่เสื้อตัวกางเกงตัวก็พอแล้วไม่เี่ต้องมีอะไรมากมายกาวกองมีมากก็ตายเหมือนกันมีน้อยก็ตายเหมือนกันมีมากก็เหนื่อยต้องคอยจัดคอยหา เดี๋ทุกวันนี้เราไปทํางานถ้าเป็นแทบตายทําเพื่ออะไรก็ไปหาของมาให้ร่างกายเท่านั้นแหละหาเสื้อผ้าหาบ้านหาบ้านราคาแพงแพงหาเสื้อผ้าราคาแพงแพงหาอาหารราคาแพงแพงหายาหาโรงพยาบาลราคาแพงแพงมาแล้วเป็นยังไงมันหยุดความแก่ได้หรือเปล่าหยุดความเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่าหยุดความตายได้หรือเปล่า เหนื่อยไปเปล่าๆสู้หาอาหารถูกๆกินไม่ดีกว่าเลยหาเสื้อผ้าถูกๆใส่หาบ้านถูกๆอยู่หายาถูกๆสามสบาทรักษาโรคทุกโรค ก, ก็พอแล้วมันก็เหมือนกันผลก็เท่ากันก็ต้องแก่เหมือนกันต้องเจ็บเหมือนกันต้องตายเหมือนกันแต่ไม่เหนื่อยสบายอยู่แบบขอทานเนี่ยสบายเพียงแต่ว่าขอทานมันไม่รู้ว่ามันสบาย มันเลยทุกมันไม่อยากจะเป็นขอทานแต่ถ้าอยู่แบบขอทานด้า น, นี่มันสบายจะตายไปคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าท่านถึงเลือกอยู่แบบขอทานนะเช้าก็ไปขอทานอาหาหขิวบาทเข้าไปในหมู่บ้านอย่างนี้ไม่เรียกว่าขอทานแล้วเป็นอะไรบ้านมีที่ไหนบ้านก็ไม่มีอยู่อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเรือนร้างอยู่ตามใต้สะพาน อยู่ตามถาม้ำตามเงื่อมผาอยู่ตามป่าชา้านั่นณหะที่อยู่ของขอทานสมัยพระพุทธการพระสมัยพระพุทธการท่านไม่มีกุฏิไม่มีวัดอยู่กันสมัยที่พระพุทธเจา้าตรัสรู้ใหม่ๆนี้อยู่ตามโคนไม้กันอยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถาม้ำแล้วเสื้อผ้าท่านใช้อะไรรู้ปะท่านไปเก็บเศษผ้ามาผ้าขี้ริ้วที่เขาทิ้งตามกองขยะหรือผ้าหอ่อุพ ที่ทิ้งไม่ในตามป่าชาไปเก็บมาแล้วมารวบรวมพอได้จำนวนพอที่จะมาตัดมาเย็บได้ก็มาทำเป็นผ้าหม่มผ้านุ่งผ้าจีวรนี่แหละการอยู่แบบขอทานนี่แหละคือการอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เพราะไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะต้องหวงไม่มีอะไรจะต้องหูวง นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงต้องอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันตสาวกสมบัติท่านมีเพียงแปดชิ้นเท่านั้นมีบาตรไว้หาอาหารมีผ้าสามผืนมีไม้มีกรไว้ปรงผมปงหนวดมีประคตเอวมีเข็มขัดรัดเอวมีที่กรองน้ำแล้วก็มีเข็มกับได้ไว้ซ่อมเวลาจีวรขาด ทานี้เองพอแล้วแลวใจนี่มีปรมังสุขขังใจมีความสุขเต็มเปลี่ยมมีความสุขมากกว่ามาหาเศรษฐีแสนล้านล้านลา น, ลา น, ลานมาหาเศรษฐีมีแสนล้านล้านล้านก็ยังหวงยังห่วงยังทุกข์อยู่เวลาจะจากทรัพย์สมบัติไปนี่ยิ่งทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีคนมีน้อยก็จะทุกน้อยคนมีมากก็จะทุกมาก นี่คือกุศลที่พวกเราควรที่จะสะสมกันสร้างกันขึ้นมาพยายามคิดอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่การไม่มีอะไรหรือมีน้อยที่สุดต้องอยู่แบบมากน้อยสันโดษให้ได้มากน้อยก็ยินดีให้เอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นสันโดษก็คือถ้าน้อยกว่าที่จำเป็นก็ ก็ยินดีตามมีตามเกิดถ้าไม่มีข้าวกินวันละมือ้อก็อดมือ้อกินมื้อก็ได้นี่เรียกว่าสันโดมักน้อยก็คือเอาเท่าที่พอต่อความต้องการของร่างกายเช่นวันละมือ้ออย่างนี้เรียกว่ามักน้อยถ้าวันละสา ม, มื้อสีมือ้อนี่เรียกว่าโลภมา ก, มากยิ่งโลภมากก็ยิ่งทุกข์มาก พอเวลาอยากกินแล้วไม่ได้กินนี่เป็นยังไงใจนี่ดิ้นพล่านไปเลยแต่คนที่กินมื้อเดียวนี้จะไม่ทุกข์เพราะหมดพอกินเสร็จแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะกินอีกแล้วก็ไม่โลภไม่คิดอยากจะกินพอไม่คิดอยากจะกินมีกินไม่พี่มีกินก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่โลภอยากจะกินพอคิดอยากจะกินแล้วไม่ได้กินเป็นยังไงร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาทันที นี่แหละสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเพราะความมักมากเพราะความโลภมากเพราะความหลงเพราะคิดว่ากินมากๆแล้วจะมีความสุขแต่ไม่คิดว่าเวลาไม่ได้กินจะเป็นอย่างไรดังนั้นขอให้พวกเราพยายามสอนใจด้วยการดูพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกเป็นตัวอย่างว่าท่านไม่สนใจกับความสุขทางร่างกาย ท่านสนใจแต่ความสุขทางจิตใจใจจะมีความสุขก็ต้องโลภน้อยมักน้อยสันโดรหรือไม่มีความโลภเลยไม่มีความอยากเลยอันนั้นก็จะได้ความสุขเต็มร้อยจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยวิธีที่จะทำให้โลภน้อยมักน้อยสันโดรก็คือถ้ามีของมากก็เอาไปแจกคนอื่นเสีย เอาเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเช่นเสื้อผ้าไปเปิดดูในตู้เก็บไว้สักสองสามชุดก็พอที่เหลือนั้นเอาไปทำบุญทำทานจะดีกว่าเอาไว้สามชุดชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองเผื่อซักแล้วไม่แห้งนี่เอาสามชุดนี้ก็พอเอาสามชุดแล้วให้มันเหมือนกันใส่ชุดขาวชุดขาวนี่ไปได้ทุกที่ทุกแห่งทุกคน มืนกับชุดเหลืองเนี่ยของพระเนี่ก็สีเหลืองไปได้ทุกแห่งทุกขนไปได้ทุกงานงานมันเกิดก็ไปได้งานแต่งงานก็ไปได้งานศพก็ไปได้ชุดขาวนี่ก็เหมือนกันไปได้ทุกงานไม่มีปัญหาอะไรน้องอยู่แบบนี้ดูแล้วจะมีความสุขมากจะไม่มีความทุกข์เลยจะไม่ต้องมาห่วงลักเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เราไม่ต้องห่วงเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องบุตรเรื่องที่ดาเพราะไม่มีคนที่บวชนี้ไม่มีแล้วแม่ชีหรือพระนี้ไม่มีแล้วมีหัวศรีรษะล้นโลนผมผ้าเหลืองผมผ้าขาวเท่านี้พอแล้วแต่ความสุขนี้มากกว่ามหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านไม่เชื่อลองทำดูรับรองได้เลยว่าเป็นอย่างนี้จริงๆ ขอให้พิสูจน์เถอขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วลองทำดูลองบวชสักปีหนึ่งก็ได้ทดลองก่อนชิมก่อนมาบวชสักปีหนึ่งดูดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนี่แหละคือเรื่องของบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นสร้างกันปียามสร้างกันให้มากมากตอนนี้เราก็มาทาทานกันมารักษาศีลกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสุขสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลกันขอให้ทำไปมากๆเถอะแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปสู่การโกนหัวห่มขาวห่มเหลืองอย่างแน่นอนพอห่มขาวห่มเหลืองได้แล้วก็จะได้ปรมังสุขทังตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้